ิิคุไม่ใช่ว่าไม่รู้ข้อมูลเลยเนี่ยเข้ามากัฟปานานิบาดาวีรมนีสิกาบัณฑงตมฤิยม จะไปเบ็ดเสร็จก็หัวเลาะต่อกระซิกันต่อไปประเด็นต่างๆดังนี้เขาบอกว่าเพรเจตนาศีเนี่ยนะศีและเจตนานั้นเป็นกุศลกรรมที่มีกิจพิเศษถ้าเรียกพีช า, านิทานกิจไอตัวพีช า, านิทานกิจเนี่ยถ้ามีความจงใจในการที่จะรักษาสีน่ะเป็นกรรมหรือไม่เป็นเป็นกุศลกรรมนะกุศลกรรมให้ผลนี้สุขหรือทุกข์ เห็นไหมกรณีอย่างเนี้ยถามว่าตัวกุศลกรรมเหล่านั้นถ้าถามว่ากายกรรมที่แสดงออกมาหลังจากมีเจรณาแล้วเป็นกายกรรมที่เป็นไปกสุจริตหรือสุจริตเป็นไปกสุจริแค่ทุจริตที่กําลังเดินอยู่นั้นเ้าเรียกว่ากุศลศีลกาลังเกิดขึ้นอยู่วจีกรรมเวลาจะกล่าวจะเป่งจะพูดแต่ละครั้งก็เป็นไปในด้ในฐานะของสุจริตกรรม นั้สุจริตกรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเนี้เพรากายก็สุจริตเพราะวาจาก็สุจริตและใจละ่ะใจก็สุจริตด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตนาศีลกาลังออกมาทําจิตในการมีความจงใจมีการจัดแจงมีความตั้งใจในการที่จะทํำให้กุศลศีลนะ้าเกิดและแล้วก็เกิดจริงๆด้วยแล้วก็มีการจัดแจงกายวาจาให้ตั้งมัน่นโดยดีด้วย ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาศีลทำจิตพิเศษและวเขาเรียกพีชานิธานกิจ เ, เป็นน้ำอย่เป็นรูปได้ยังไงลูปศีลต้องเป็นน้ำศีล น, เนะเป็นตัวมาจัดแจงรูปธรรมให้ตั้งมั่น ด, ด้วยดีมาจัดแจงอะไร จัดแจงกายกรรมจัดแจงวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายกายกรรมที่เกลื่อนกล่นก็คือการไปฆ่าไปลักคือไปพูดไปพูดผิดไะพูดผิดในกรรมเลวจีจักกรรมเกลื่อนกล่นก็คือไงเลยพูดเท็จอยู่เรื่อยเลยเห็นจะพูดแต่ละครั้งก็ไม่มีความจงใจรือตั้งใจจะจัดแจงคำพูดให้เป็นไปกบุุน อยากจะพูดอะไรพูดทันทีเลยรู้อะไรพูดทันทีเลยพอพูดแล้วเบรกไม่โยนเนี่ยเาเรียกศีลมันไม่เกิดพูดได้ป๊อปป๊ปป๊คล่องเลยนั่นแหละคือตังบรรดาณพูดทั้งหลายนี่ผิดศีนเยอะแยะหมดศีนไม่เดินเพราะวจีกรรมเป็นโทษ ถ้าอยากจะดูคนกล่าวว่าจีทุจริตก็ไปฟังคนเขาไฮปากันฟังเราจะเห็นอกุศลกรรมเพ่นพ่านเต็มหน้าจอทีวียใช่ไหมใช่ทุกมุมทั้งพูดแท้ทั้งส่อเสียดทั้งคำหยาบทั้งเพ้อเจ้อถ้าคนไม่รู้จักศีน่ะมาพูดยิ่งพูดมากและยิ่งบาปมากคนไม่รู้จักศี นั่นจะไปจั์แจงว่าจีกรรมไม่เป็นไปกับกุศลได้อย่างไรเอาพูดดีๆนี่แหละไอละครลิเกภา พ, พยนต์ทั้งหลายเนี่ยพูดดีไหมเวลาตัวพระเอกออกมาเนี่พูดดีไหมถ้าพูดดีวะคนที่ติดละครทั้งหลายเนี่ยละครเนี่ยพูดเนี่ย เป็นว่าจีทุจริตหมดเลยหมดเลยเอาเลยเรื่องก็เป็นเรื่องโกหกเรื่องจริงโกหก <c oughs> แต่ทำไมทำไมจริงว่าดึงดูดจิตใจของคนดูมากเพราะเพราะคนไม่รู้เรื่องซี ถ้าคนรู้เรื่องสีจริ ง, รงๆแเ้าก็จะอยากไปดูไหมเขาอยากไปดูไหมไม่อยากดูหรอกดูก็เห็นโทษ <ๆ S 2> เห็น <ๆ S 2> เห็นสมถะพลาปะเป็นไม่หมดมันเห็นโทษจริงๆเลยนะอันนี้ก็วันใดวันหนึ่งนะถ้ายมมงคลเข้าใจยัง อย่างที่อามาพูดนี่นะมองคนจะเห็นทุเดินผ่านทีวีเนี่หลับตาเนโอ้วหลับบาปเรื่องมันจะมีเยอะมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหาสักเรื่องที่จะได้สาระสังนิตออยาเขาใจเยะน่ากลัวมากมันเป็นยุคแห่งการ ผิดศีลก็ยังรุนแรงมากเรื่องที่นากลัวแล้วเรา ก, เราก็เราก็ไปเกิดไปเสกไปติดไปบริโภคเรียบร้อยเงินนี่เขาใจ้เจตนาศีลเป็นอกุศลกรรมเลยใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นไปในลักษณะวางผิดพลาดไอ้ตรงนี้ก็ฉะนั้นเจตนาได้แก่ศีลและเจตนาเจตสิกเป็นกุศลกรรมอันมีกิจพิเศษได้แก่พีชานิธานะีก เป็นศิลเจตนากรรมที่ทำหน้าที่แห่งการที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการให้เสวยผลต่อไปในอนาคต ด, ด้วยฉะนั้นในกรณีทุกเจตนาที่เกิดขึ้นที่เป็นไปกับกุศลศีลบ่งบอกได้เลยว่าต่อไปนั้นผลนั้นได้รับแน่นอนลองคิดดูดิปริมาณของเจตนาศีลเกิดมากเท่าไหร่ต่แปลว่าศีลของท่านนั้นหมาแน่นมาก ถ้าปริมาณของกุศรศีลหรือกุศลเจตนาที่เป็นไปในดักหมายในกระแสใจของท่านบุรยอย่างหนานแน่นนะท่านผู้นั้นก็เหมาะแก่การที่จ ะ, จะเจริญคุณธรรมเบื้องสูงมีสติปัญญาเป็นต้นเอางี้ว่าถ้าหากว่าฟังธรรมเนี่ยนะถ้าเจตนาศีลเดินนะท่านจะไม่มีการโมกม่วงเนันจิตใจจะผ่องใส ล้าเริงแล้วเบิร์ บ, บานเลยก็เป็นงนั้นแล้วฮะใช่มันจะเป็นอย่างไงมันจะมีความตั้งมั่นสูงมากเพราะอะไรศีลเนี่ยเป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสดานะที่พระองค์ประทานไว้ให้ทําไมอุปทานไม่ให้เพราะกรุณาโยมอ่ะถ้าหากไม่มีศีล เจดนาเป็นต้นประชุมไว้ในกระแสะใจของยอมเนี่ยยอมก็คือเมียบายทุกทีวิบัตินรกเป็นไปแล้วก็จะต้องจมในสังสารวัตรอีกยาวไกลพระองค์สงสารมีข้ามากรุณาที่คุณเมื่อตัสรุณุตตะสมมาสมโพธิญาณและพระองค์ก็ประทานกุศลเจดนาสีบ้างเจดสิกศีบ้างสังวรสีนวิติกามาให้กษัตริย์ทั้งหลายได้เกิดความรู้และความเข้าใจ จะได้ประชุมกุศลและศีลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในกระแสขันแล้วจะได้ควบคุมกายกรรมวจีกรรมธรรมโนกรรมนั้นให้สะอาดผ่องใสหมดจบจากบาปประทำทั้งหลายแล้วจะได้เดินเข้าสู่ร่องรอยของศิกขาสามของพระบรมศาสดาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏทุก์เขา้าใจยังนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นคุณของพระบรมศาสดา แล้วเราต้องการจะปฏิบัติบูชาเนี่ยตัวกุศลกุศลฤษณ์เจตนา น, นี่นะจะต้องเดินได้จริงจริงอย่างในขณะที่นั่งตรงเนี้ยอ๋อในขณะที่ฟังท ร, รเนี่นะจิตฟุ้งซ่านลาคาญใจนี่มงบอกเลยว่าตัวสีไม่นึงอันนี้ใครจะแก้ให้เราได้ ใช่ไหมเราต้องต้องมีปัใจจัยในการที่จะต้องอาศัยความตั้งใจค่อนข้างแรงฉะนั้นกรณีแห่งกว่าตรงนี้ก็ทําความเข้าใจตรงนี้เจตนาเป็นศีลก่อนเนะประการต่อไปก็คือเจตสิกเป็นศีลไอตัวเจตสิกเป็นศีลเนี่ยเจตสิกเนี่ยมันเกิดนะสภาวธรรมก็คือเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตแล้วก็อาศัยวัตถุ คือที่เกิดอย่างเดียวกั็นเจตสิก็แปลว่าถ้าจิตรับรูปอารมณ์เจตสิกก็รับรูปารมณ์ด้วยถ้าจิตรับสัทธารมเจตสิกก็รับศัทธารมด้วยใช่ไหมถ้าจิตอยากจะรู้เรื่องอะไรเจตสิกก็ต้องรู้เรื่องนั้นด้วยถ้าจิตไปคิดถึงใครเจตสิกก็คิดถึงคนนั้นด้วยเพราะใจอย่างฉะนั้นเจตสิกสีนี่เป็นตัวเจตสิกที่เกิดขึ้นกันกับจิต ทีนี้เจตสิกสีที่เกิดขึ้นกับกับจิตเนี่ยเขาสามารถปรุงแต่งจิตไดนน้เขาปรุงแต่งจิตได้อย่างนี้เราไปอยู่ร่วมกับใครแล้วท่านผู้นั้นเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากเขาขีดเส้นให้เราเดินได้นะมได้เลยใช่ไหมเขาจะบอกได้เลยใช่ไหมเขาชี้ได้เอาให้เดินซ้ายเดินขวาแล้วก็จะเดินตามนะ เจตสิกเป็นไปลักษณะปรุงแต่งอย่างนั้นให้ข้อมูลอย่างนั้นเขาจะให้ข้อมูลจิตเขาจะให้ข้อมูลจิตให้เป็นกุศลก็ได้ให้ข้อมูลจิตที่เป็นอกุศลก็ได้เจตสิกเป็นแบบนี้นะแม้ขณะฟังธรรมเนี่ยเจตสิกไม่ดีเนี่ยเขาให้ข้อมูลจิตให้เป็นบาปอย่างได้เลยได้มไหมชีเป็นได้ไหมได้ทําไมไม่ได้ จะใหะ้ใช่ไหมจะให้นั่งฟังแล้วแบบว่าหลับไปเหย น, นี่เจเจศิษไม่ให้ข้อมูลนี่หลับไหมหลับเ ร, เรียบร้อยเลยเนี่ยมันแล้วแต่มันจะป้อนข้อมูลให้หมดเลยอันนี้แปลว่าก็ปรุงแต่งได้เขาปรุงแต่งให้จิตเป็นบาปก็ได้ถ้าหาว่ากรณีอย่างนี้นะถ้าเป็นเจตศิเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัรมันตาก สัมมาอาชีวะสามตัวแล้วนะสัมมาวาจาก็คือการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสีสัมมาธรรมตาก็คือการะทําที่งดเว้นจากการยัุจริตสามสัมมาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพที่เว้นจากการยันุการเลี้ยงชีพนีที่เว้นจากการยัุจริตสี่วจีทุจริตสามที่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหลาย ลักหนีเป็นสัมมาชีวะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอนัพพิชาคือความไม่โลภอัพยาบาทคือความไม่โกรธแล้วก็สมาทิฏฐิคือปัญญาเยนี้ทําความเข้าใจอย่างนี้นะสัมมาวาจาเป็นศีลยัยงไงสัมมากรรมตะเป็นศีลอย่างไงสัมมาชีวะเป็นศีลอย่างไงนะยกตัวอย่างให้เห็นนะถ้าใครไม่เข้าใจถามเลยนะ เออดีเนี่ยทั้ง ง, วง่วงเลยยืนใช้ได้เออเนี่ไม่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไปหวงเ้ายี่ยอยู่ใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเข้าใจจริงๆใช่ไหมเอาดิลองยืนโดยที่ก็โดยยังง่วงได้ไหมใช่ไหมดีไหมอยอมพอนอย่าเงี้ยดีนะแล้วก็พิจารณาอย่างไงดูมัา ที่เราเนี่ยขนาดฟังทำไม่ต้องได้พูดอะไรเลยใช่ไแค่มานั่งฟังเพื่อทำกิจให้เป็นกุศลยังทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเก้าอี e, ้นี่ก็ไม่เหมาะเลยไม่สมควรนั่งเลย <laughs> ยืนดีกว่าถ้าอย่างนี้ดีเพราะว่าเพราะได้หลักคืออย่างนั้นใช่ไหมเออมาหลับต่อหน้าก็ พ, พูดพอยู่บ้างเจ้าไม่เหมาะเลยเอาพระทำก็กำลังหลังหลแต่ว่าพระพุทธญา้าเทศอยู่ที่ไม่อยากจะมาเนะ ที่มาเดินเรื่องเนี่ยคือพระเจ้าเราไม่ไม่ต้องดูพระนามานะนู่นมองไปถึงพระเจ้าที่นุ่นพระพุทธรูปนี่อันมาพูดแทนพระเจ้าสิ่งที่ถูกื่อนของพระเจ้าหมดถจะผิดเป็นง้อมันละมานะ okay, ใช่ไมถ้าอันมาเขาต้องพยายามระวังแล้วหนึ่งจะต้องไม่ประทุสารายคําสอนของพระเจ้าก็าจะต้องพูดด้วยสติและสมปธิยอย่นี้แล้วจะพูดต่างต่างก็งมีข้อมูล แล้วต้องเอามาให้ควรได้จีิงจริงใช่ไหนี่ก็ต้องเป็นอ่าวสมมาวิจาเป็นศีลยังไงสมมาวิจาในการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตศก็คือความงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบและเพ้อเจ้อไอ้ตัวนี้เป็นสมาวาิจา นิส ม, มาวาจานั้นก็ไปแยกไปคาถาสัมมาวาจาวิรเจตนาสัมมาวาจาแล้วก็วิรติสัมมาวาจาถ้ากถาสัมมาวาจาเป็นการพูดดีที่เป็นไปกักุศลไม่ได้เกี่ยวกันที่จะงดจะเป็นสีนอะไรใช่ไหมจะเป็นกุศลไม่เป็นหรือเจตนาสัมมาวาจาคือเป็นเจตนาที่ต้องการเจะพูดให้เป็นไปกับกุศลเนี่ยไม่ได้ขับเน้นในการที่จะเว้นจากการพูด แต่ถ้ากรณีที่เวรติสัมมาวาจานี่นะอันนี้เป็นความงดเว้นเลยเป็นความงดเว้นเป็นสภาวะที่งดเว้นเป็นตัวงดเว้นเลยอะ่ะตัวงดเว้นที่ว่าไม่พูดเท็จเกิดขึ้นได้จริงจด้วยแล้วก็ไม่พูดส่อเสียไอ้ส่อเสียในที่นี้แปลว่าพูดในคนแตกแยกแนะั่นพูดในคนแตกแยกกันแล้วเขาแตกแยกกันจริงจริงคบกรรมบวชอย่างนี้นะดังกรณีแบบเนี้ย พูดไปพูดมาจะแตกแยกเลยพูดดีก็แตกแยกได้เนะพูดดีๆนี่แหละแต่ให้คนแตกแยกนั่นแหละกรณีอย่างนี้เป็นสอนเสียหมดเมื่อความแตกแยกเกิดขึ้น ค, บครบกรรมมาบทหมดก็มีอบายทุกขติวินบาตนรกเป็นไปอย่างนั้นเลคนไม่รู้ถ้าเขารู้กรรมตรงนี้เขาจะไม่มีการพูดเฮ็จกันหรอกหรือพูดสอสเสียใช่ไหพูดคำหยาก็ก็พูด พูดสิ่งที่เป็นฟังแล้วมันขัดเคือง้วยแล้วพูดด้วยอกักขศลโดยเฉพาะพูดด้วยด้วยทรีาเป็นต้นแล้วก็พูดเพื่อเจอเพอื่อเจอนี่แกอยากมัาสาหรับคนชอบพูดทั้งหลายนี่เพื่อเจอก็คือพูดเรื่องอะไรเดียร์พูดเรื่องกองทัพ บ, บ้างพูดเรื่องพระราชาบ้างนะพูดเรื่องการบ้านการเมืองบ้าง ถ้าสรุปลงพระธรรมไม่เป็นนะถ้าสรุปลงไม่ได้เผยเจอชัดเลยเผยเจ๊ชัดเลยก็ใใช่ไหมก็ไปก็อะไรไม่รู้ดำบางแดงบางขาวบางเหลืองบางใสกันใหญ่เลยนะในข้อใดข้อเลยคนไทยใส่สีอะไรได้เลยมีคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ใส่อะไรเลยแล้วปล่อยโล่งๆนี่นี่เดี๋ยวนี้ก็ไปยึดก็บ้าเลยนี่แบบเสร็จเลยยุ่งเลยใส่สีขาวก็ไม่ได้อีก เดี๋ยวก็หาเป็นแม่ชีเยี่ยงยิง่ตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นเพเื่อเชื่อไปสมาวาจทีนี้อสภาวะที่งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบหรืเอเพื่อเชื่อตรงเนี้ยเป็นตัวสมาวาจาถ้าตัวสมมาวาจเนี่ยเป็นไปเพื่อการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นสภาวะที่งดเว้นจากการพูดเท็จ อันนั้นละเป็นสมมวิชชาเป็นสมมวาิาเห้สมมวจาจะเกิดขึ้นในลักษณะอนี้เขาเรียกเป็นตัวเจตสิกสินตัวเจตสิกสินเหล่านี้แปลว่ามีปัจจัยที่จะทําให้ร่วงละเมิดในการพูดเท็จแล้วมดเว้นมานะได้อังนี้วิรติเกิดอย่างนี้เข้าใจไหมเช่นเห็นบุคคลที่จะกล่าวมีเรื่องที่จะกล่าว แต่ความงดเว้นเกิดขึ้นได้อันนี้แปลว่าอะไรสัมมาวจาททำกิจและในการงดเว้นเงืนสัมมารกรรมตาก็ในลักษณะนี้แต่เป็นไปในด้านของการควบคุมกายกรรมในกรณีที่จักฆ่าแลว้วง ด, ดเว้นจากการฆ่าได้จักลักทรัพย์งดเว้นจากการลักทรัพย์ได้จักประพฤติผิดในการมแล้วก็มีสภาวะที่มีการตัดทอนทาให้จิตนั้นนะ่ะขดออกจากการ ไม่ฆ่าไม่รักแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วทางกายกรรมก็ไม่น้อมในการที่จะทำอย่างนั้นได้จริงถ้าอย่างนี้เกิดที่อังศีเกิดและเนี่ยเป็นแบบนี้มันเกิดเป็นแบบนี้นะนี่คืสัมมาวจาสัมมากา ร, รมตาส่วนสัมมาอาจีวาเนี่ยมันเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเช่นการประกอบอาชีพทั้งหลายเอาไปค้าขาย เอาไปทำงานเอาไปทําราชการอาชีพต่างๆที่กําลังเดินไปอยู่หรือประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอาชีพที่กําลังกระทําไปอยู่เบียเศษเนี่ยพอ ก, กระทํากระทําไปเบียเศจมีปัจจัยที่จะทําให้ต้องกล่าวเชฉยก็ไม่กล่าวจะพูดส่อเสียดก็ไม่พูดงดเว้นได้จริงๆด้วยมันเป็นอาชีพของเราจริงอยู่ไหมอาชีพในการที่เราทําราชการแต่มันเกี่ยวข้องกับผู้คน แต่จะเป็นการเป็นก่าวเทศสก็งดเว้นในการกล่าวเทศจากการเชียบที่เรากระทำด้วยแล้วก็จะพูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยต้องจิตโจรก็คือยินตอนทำร้อยติดยินเลยบางคำบางแห่งก็จะมัเขียนยอมงดและติด มาเห็นก็เขียนอยเอาไว้ไมต้องรีบปิดเลยกลัวไม่มีจารีตศีลมันเป็นจารีตศีลนะสถานที่ตรงนั้นเขาสั่งใก็มีระเบียบปิดถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันขัดเงนันตรงนี้ก็คือว่านี่เขาเรียกว่าเป็นตัวเอาทุกคนที่เกิดมามีอาชีพหมดไหมฉะนั้นในขณะที่จะทำอาชีพไปนั้นอ่ะ ก็งดเว้นบาปรกรรมทางวาจาบาปรกรรมทางกายได้และใจก็ไม่เศร้าหมองอันนั้นเขาเรียกว่าอาชีพในบริสุทธิ์ถ้าไปประกอบอาชีพแล้วเครียดมีสัมมาอาชีวะไหมเห็นไหมเห็นชัดแล้วเอาทํางานโอ้โหถูบ้านมียเครียดในการถูบ้านเนี่ยนะเป็นแม่บ้านเนี่ยเนะื้อรับจานหน้าดําตาแดงเลยอะ มีสมาชีวะไหย ม, มีไม่มียศผัวบ้านแล้วเครียดเนี่ยมีสมาชีวะไหมไม่มีก็อย่าให้มันเกิดต่อไปอย่าให้ความเครียดความวิตกกังวลเกิดเพราะเราจากไม่มีเจตสิกศีลอยาย่างที่เราทำงานทั้งหลายก็ต้องประกอบจิตที่เป็นไปกับกุศล อันนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจก็ไปทําแต่อย่าฟังตรงนี้แล้วให้มันล่วงตรงนี้อมันเข้าใจใไม่มเอาเหมือนกรณีอย่างท่าเนี่ยนะถ้ากวาดใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์ก็เห็ น, น, ว, นว่าตอนเช้าแล้วกวาดใหญ่เล้ก็ถ้ากวาดไปแล้ววิตกกังวลไปนั่ น, นมีจารีตไนะ ไม่มีแล้วอย่างนั้นน่ะอาชีพกพ็ผิดเพราะเครียดไงติดต่อโทรศัพท์ใหญ่เลยเพราะงานต้องโทรศัพท์เนี่ยทำไมคุยไม่รู้เรื่องอะมีมีสมาชีวะไงไม่มีเพราะประกอบอาชีพได้กโกรธด้วยแล้วพูดได้คยาำหยาบบ้า ง, งนี่มีได้ไงอาททำกับข้าวยมหวานทำใหญ่ เครียดใหญ่โอ้โหคนมาก็เยอะอามีอาชีวะไหมมีสมาชีวะไหมไม่มีไม่แค่เครียดอย่างเดียวโลกก็ไม่มีด้วยนะทําไปแบบโลภะเกิดเนะี่ยโูอร่อยน่าดูนิ่งเนี้ยนะก็ไม่มีไม่มีสมาชีวะอีกเป็นอย่างนี้สมาชีวะเนะ่ยอย่าไปขับเน้นแค่ทํามาชื่อถูก ต้องขับเน้นที่ใจนั้นต้องสะอาดด้วยผลปรากฏเนโยนกายสะอาดวาจาสะอาดใจต้องสะอาดทั้ายอย่างตรงเนี้ยศีลอยนี้เราจะเดินกันยังไงอ่ะถ้ากุศลศีลแบบนี้ไม่เดินในชีวิตจริงให้หนานเนี่นและ้จะไปเจริญฐา น, นแล้วจะให้กรรมฐานอะไรมันไปชุมลงในใจได้เนยเข้าใจไหมเอาใครมีชีพสอนหนังสือเมือ่อณฑมาเนี่ย เป็นผ้านมากล่าวก็ทมกล่าวไปโกรธไปกล่าวไปโกรธไปอามาขาดและเสียหายมากเลยแสดงคำผิดพุทธเจ้าบอกว่าต้องสแสดงด้วยเมตตาฉะนั้นปลาดจนาดีต่อผู้ฟัง อ, อันนี้เวลาจะให้ออกไปปฏิบัติ เห็นไหมการปฏิบัติในศีลเนี่ยเริ่มรู้แล้วไหมปฏิบัติยังไงเพราะจริงๆปฏิบัติในศีลเน่ยไม่ใช่ก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆนะเล็กถ้าสี่เหลี่ยมเล็กแล้วยาวด้วยก็ลงนะอันนั้นมัไม่มีสิเข้าใจใช่ไหม เนี่ย ม, มันต้องเกิดได้จริงๆในขณะที่เจอหน้ากันแล้วไปสนานานโอ้โหเสียงกันใหญ่แล้วีมันเดินไหมเนี่ยมีสมาวยญาไหมมีสมากรรมจามีสม า, มสมาชีวะไหมคิดหมดฉันบอกว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องศีลก็เลยไม่รู้จะคิดอย่างไร อาชีวะริงเป็นแบบนี้ไหมอาชีกลับไปที่วัดขัดห้องนล้วไม่รู้ใครที่กูทำบนเยอนะบ่นด้วยถ้าเป็นไงซีเนี่ยนะไปหมดที่แล้วแล้วชีวิตจริงเป็นอย่างงั้นมีไหมนั่นแหละก็อย่าให้มันเกิดถ้าเกิดงั้นหยุดเลยนะ บอกโอ้ไม่สมควรแก่เราเลยเราจะมาอบรมสีจเจริญสีนเนี่ยแล้วมาทําให้บาปเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาทํากิจอย่างเงี้ยไม่ควรแก่เราเลยนั่งย้ําตัวเองบ่อยๆแล้วก็มันให้ควรแลจะทําต่อเขาจะยังไม่ยมอมบงคนทําอย่างนี้นสีมันเกิดแบบนี้นะเอาถ้าใม่เกิดในรักนะ์ขนาอย่างนี้จะทํายังไงอ่ะ ต่อให้สมาทานวันละร้อยรอบอ่ะร้อยรอบถ้ามันเดินไม่ได้ไม่เกิดไม่ได้ไม่เข้าใจเลยก็สมาทานไปที่สมาทานไปก็ไม่ได้อีกฉะนั้นความตั้งใจเนี่ยสมาทานถูกต้องไม่ถูกต้องการสมาทานบ่อยๆย้าตัวเองได้ตั้งใจบ่อยๆนีได้เป็นการระลึกเตือนตัวเองบ่อยๆและให้คุณสอนศีลเดินได้จริงๆดยถ้าอย่างเนี้ยเราจะเห็นศีล เราจะเห็นหน้าตาของเขาแลวเราจะเข้าใจพูดง่ายๆก็คือว่าเราเข้ามาในพระศาสนากันมาก็ตั้งหลายสิบขวบแล้วแต่เราไม่เคยดื่มรสของศีลเลยใช่ไหมว่าศีลมีรสยังไงมีความหอมหวานอย่างไรมีความสงบยังไงมีความสุขยังไง มันเลยวิ่งเลาะๆกันอยู่นี่แหละเอาสีนมาเกิดที่ใจไม่ได้เขาใหญ่ยางแล้วอย่างนี้เสียหายไหมเนี่ยเสียเลยอ่ะนั่นมันต้องสามารถดื่มด่ำในรสของสีนได้ด้วยอีกประเด็นในปัจจุบันเนี่ยเราเอาสีนมาดื่มไม่ได้เลยไม่เห็นรสของสีนมันมีความสุขยังไงใช่ไหมมันมีรสชาติยังไง กลิ่นของเสีนมีมีความห อ, หอมหวานยังไงรสของเสีนมีความหวานเย็นยังไงแล้วก็เมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยผลที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้ น, น่ทําให้จิตใจผ่องใสเบิกบานปีตีปลาโมดยังไงมันก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นปัญหามากไม่ได้ดื่มรสของเสีแล้วความสุขมันจะเกิดยังไงใช่ไหม มันเหมือนบอกอา้าวให้ไปกินยาเนี่ยผลของยาไม่เห็นมันปลากฏออกไม้เห็นเลยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันก็ไม่เห็นสะอาดอะไรขึ้นมาได้เลยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรนี่โ ย, ยมหวานอะไรผิตให้ไปดื่มยาบำรุงร่างกายก็ไปดื่มแต่ยาพิษใช่ไหมเอเป็นอย่างนั้นไม่โยมทุกคนเลือก แล้วตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจยังไหมเดี๋ยวมาจะสรุปพอจบภาคแรกเรามาจะสรุปแล่ถามเออมาจะถามไดยนะทีนะถามแต่ละคนตอบได้ด้วยนะเนี <c oughs> ย่ยมาจ้องไว้แล้วจะถามใครบ้างนี้ <c oughs> ไม่คืออยากจะรู้ว่าฟังเนี่ย ฟังไปแล้วเนี่ยมันสามารถสรุปประเด็นได้ไหมถ้ามาว่ามานี่พูดลานบินนี่ต่ําที่สุดแล้วนเนี่ยเอามีเท่าไหร่บ้างที่ไม่ยกตัวอย่างประกอบเนี่ยก็พยายามยกตัวอย่างประกอบเนี่ยใช่ไหมหรือหรือมันพูดได้ละเอียดกว่านี้อีกหรือว่ามันพูดได้เห็นชัดมากกว่านี้่องยกตัวอย่าง อันนี้นี่เริมจะเข้าใจในเรื่องของสมาวิจาสมารกรรมต่อสมาชีวาใช่ไหมถ้าต่อไปความไม่โลภอนนาพิชาไปตอนนี้ความไม่โลภคืออนนาพิชอนาพิชาเ น, น, น, น, นี่ยอนนาพิชาเนี่ยก็แปลว่าความไม่โลภความไม่โลภในที่นั้นก็คืออะโลภาเจตสิคอโลภเคตัสิคคือสภาพที่มีความไม่พิงเลงอยากได้ของของคนอื่นเออแปลกนี่นะ ถ้าโลภเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอามาไปเห็นโยมใส่สร้อยแหวนมีเงินมีทองมาวางไว้เนี่ยอามาเกิดความโลภอยากได้มาเป็นของเอามาปุ๊บเขาองลแล้วชค่นี้เพาองและไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่คิดอยากจะได้แล้วน้อมปรารถนาอยากเอามาเป็นของตนเองเนี่ยอันนี้พบ กรรมมบทเป็นภัยเป็น อ, อภิชาเป็นมโนทุจริตเมื่อครบองค์อย่างนี้กรรมที่อาลมาลบอย่างนี้ถ้าส่งผลในปฏิสนธิการก็จะทำให้อามาเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายเป็นสัจจะชันิป็นสัตว์นรกอืนดีที่โทษมันยังไม่ไปเอาจริงๆเลยแค่คิดเพ่งเล็งอยากได้มาของตนเองเนี่ย แค่นี้มันสำเร็จแล้วนะฉะนั้นอ น, นัาพิชาก็คือมันตรงกันข้ามก็คือไม่โลภไม่เพ่งเล็งอยากได้สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองทีงนี้ไอ้ความไม่โลภเนะี่ยเป็นศีลได้ยังไงด้วยความไม่โลภเนี่ยไม่ไม่โลภไม่เพ่งเล็งทรัพสมบัติบุคคลอื่นเพื่อจะมาเป็นของตนเองเนี่นะเพราะมีความไม่โลภอย่างเนี้ยความไม่โลภเนี่ยก็เลยมาจัดแจงกายจัดแจงวาจา ไม่ให้มีการฆ่าการลักาการประพฤตผิดในการมจัดแจงวาจาไม่ให้พูดเท็จส่อสเสียดคําหยาบระเพิดเยอความไม่โลภเหล่าเนี้ยไปจัดแจงจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับตนเองด้วยก็ทําให้นามาทําทั้งหลายนั้นเป็นไปกกุศลด้วยความไม่โลภและวก็มาจัดแจงควบคุมกายกรรมวิจิกรรมไม่ให้เกินกล่นไม่ให้กระจัดกระจายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความไม่โลภมาอยู่ในฐานะเป็นศีล เข้าใจไหมพวดตัวเนี้เอาไม่เข้าใจยกตัวอย่างเลยเดี๋ยวนี้เอายมมงคลไม่เห็นทรัพย์สมบัติของยอมหวานพอเห็นปุ๊บแล้วก็จิตมันน้อมจากโลภใช่ไหมยอมมองคลต้ตัดความโลภตรงนั้นเลยไม่เพ่งเลงทรัพย์สมบัติของยอมละแลยมหวานนลยแล้วก็ไม่ไม่ปราถนาเพราะ เมื่อเมื่อถามถ้าถ้าเขาอยากได้ขึ้นมาแล้วอาจจะไปฆ่าได้ไปรักได้ไปแบบเพื่อปิดในกรมได้หรือพูดเท็จสอนเศษคำหยาบหรือเชืเยอะแยะไปเส้นเลยก็น้อมตัดป๊บแล้วก็ความไม่โลภนั้นก็จัดแจงนามธรรมทั้งหลายของโยมมงคลเองนั่นแหละแล้วก็มาปิดใยกรรมวิจีกรรมไม่ให้ทำบาปเลยใจของใจของโยมมงคลเป็นสุขไหม เนี่ยเขาเรียกว่ากายวาจาใจสะอาดปรากฏออกมาเดี๋ยวนี้เป็นสีเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรเจตสิกสีนความไม่โลภเนี่ยเป็นสนีเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมถ้ายกอย่างนี้ชัดใช่ไหม นี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วมันจะจัดแจงกายกรรมวิจิกรรมและวก็มโนกรรมนั้นให้สะอาดหมดจดเดี่ยวนั้นเลยและความความปลื้มใจจะเกิดตรงนั้นความไม่เดียดร้อนใ จ, จเกิดตรงนั้นแหละเพื่อผลต่อไปคือสมาธิที่จะตามมาอีกจะตั้งได้ง่าย